เรื่องเดือนสามฤดูการแห่งการสแสวงบุญโดยพระอาจารย์สมพบโชติปัญโยน้อมแดบละผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทางหลายแม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าว ขออำนวยพรสริสวัสดิพ์พิพัฒนธมงคลความพาสุกทุกประการจึงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทางหลายโดยเท่า ก, กันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ชึ่งเวลาต่อจากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงของทานในวิทยุนี้ท่านทางหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกข้าปาตกถาธรรม อันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแลว้วขอให้ท่านตั้งร้ายที่มีโอกาสได้เปิดเครื่องและฟังอยู่จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นําไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองแก่ครอบครัวแก่บ้านเมืองแก่สังคมแกษษะนะ่ภาษาศาสนาสืร์ต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีนี้ สัลธรรมมิจฉานในวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาพบกับทันซาทุชนในทางซุ่มซื้ยงเอกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้ห่างเหินกันไปนานคิดถึงทันซาทุชนผู้สนใจในธรรมเมืองินกันทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่างานการของอตาตมามันมากเลยเกินไม่ค่อยได้หยุดได้ย่อนเดินทางเป็นเมื่นเงินกิโลต่อหนึ่งเดือนไปต่างจังหวัดเพาะเทศการหน้านี้หน้า ข่าวขึ้นนาปาขึ้นบ้านเวลาที่พี่น้องชาวพุทธเราจะต้องทําบุญสุ่มสรท า, านกันมีงานจาัดงานมหากรรมจัดงานกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวโยงกเกี่ยวกับพศาสนานอกจากนั้นทางองค์กรของรัดองค์กรของศาสนาทานสถาบันการศึกษาหลายแห่งเดีนี้กําลังให้ความต้นใจแก่สินแก่ธรรมอย่างเช่นสถาบันครูบาอาจารย์ก็มีความสนใจในวันครูตั้งกับแย่งยื้อกันหลายจังหวัดนิมนต์ไปกล่าวปาตธกถาธรรม พรเห็นว่างานก็หลายมากขึ้นก็จะไม่มีเวลาเกี่กับวัดไม่ได้พบกับญาติโยมทั้งสุ่มเสียงฐานีวิทยุนี่มานานมีความรู้สึกคิดถึงเหมือนกันวันนี้โพขึ้นมาเดือนสามพอดีคิดว่าจะเอาอะไรหนออมาพูดกับญาติโยมให้ได้เกิดประโยชน์สมกับที่เราได้พบกันด้วยเวลาอันจํากัดจํำเทียเป็นบางครั้งบางคราวนี้ธรรมาก็เลยคิดไปขึ้นมาวันหน้าจะได้พูดเกี่ยวกับอ่าเดือนสาม ที่ชาวอีสานเรามีอะไรที่ดีในเดือนสามนี้ก็เลยขอพูดในหัวข้อที่ว่าเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญของชมุชมชนชาวอีสานเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญทําไมจึงต้องกล่าวเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องชาวอีสานของเราทื่กันแลเกินเดือนสามออกใหม่สามคาหนึ่ง วันมือสันวันดีสามร้อยหกสิบห้าวันในหนึ่งปีนี้วันมีดีที่สุดกบ็บพราะมีปากหนกักว่ามีหูวขีมาค้ามป้อมสุขวานแม้ม่านของแหวบวันดีคืนดีเหลือเกินวันนี้ฟ้าจะเปิดประตูในเวลากลางคืนเสียงฟ้าจะร้องคํกลอนคำลามเด็กเดินเดินพูดเท่าโฟกแกรเล่าขานเสือกันมาต้องต่าง อ, อกต่งใจฟังฟ้าจะไขประตูทางได ทางที่ตะวันออกที่ตวันตกทิศเหนือทิศใต้บรุรพภาอาการณ์ทักษิณประจิมหอมรดีพายัจนีสารตรงไหนจบฟังแล้วมันมีความหมายแก่การดําเนินชีวิตของชุม ช, ชนชาวอีสานนอกจากนั้นวันนี้ยังเป็นวันที่เราถือว่าดีที่สดเอาฝุนไปใส่ไร่ไสานาสนาก็จะเป็นนาดีเพราะวันดีฝนก็ต้องดีไปด้วยนาก็จะดีไปด้วยนอกจากนั้นเมื่อนอกจากฟ้าไขประตูแล้วก็ยังมีการเปิดประตูเล่าประตูยีเปอร์ประตูเล่ า, ป เ, เ, ปป เ, ลาเป็นครั้งแรกห ล, งลังจากเอาข้าว ขึ้นจากนาปา่าขึ้นโสภาแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูแล้วเราก็เอาขวัญข้าวเอาข้าวที่ในเล้าที่เปิดจะเอาไปรวมกันที่วัดเรียกว่าบุญประทายข้าวแม่เดือนสามนี้เต็มไปด้วยบุญทั้งเดือนพูดถึงชมชนอีสานเราสมัยโบราณแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกือบจะจํากันไม่ได้เห็นดีจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกัน เป็นสามคนโบราณถือกันนักกันนาหวนวนฝ่าห้องคำระงมฝนวายหงียเพียงลวงควนข่วงดาวหึกซาเสียวแซนกอกางทิพย์ะดูเพลิดเพลินเพ่งถวจเทินแถวมหาเมฆเข่ากันนุ่งเน่งบังบทสุริยนเอียงคําแหล่งลงใหม่บทกวีของชุมชนชาวอีสานแต่ก่อนเตาอโบราณศารได้พูกพันชีวิตของตนไว้กับธรรมชาติตินฟ้าอากาศเสียงฟ้าร้องขวนคลางคลางคืนในคืนแห่ง และดูแลงเดือนสามเนี่ยมีความหมายต่อวิถีชีวิตของชุน ช, ชาวอีสานเพราะคนเรานั้นความจริงแล้วเราก็คือตัวธรรมชาติเรามาจากธรรมชาติและจะกลับเขินไปสู่ธรรมชาติร่างกายที่เดินไปเดินมาที่ว่ามีชีวิตอยู่นั้นคือดินคือน้ําคือไฟคือลมผสมกันตั้งกันมาเป็นมหาภูตลมนั่งยูยืนยู่นอนอยูตั้งแต่ เกิดจนตายตั้งแต่หลับจนตื่นยืนเดินหนังนอนจนกระทึงวันตายจะต้องหายใจเข่าหายใจออกนั่นนะคือลมเข้าแล้วก็ลมออกส่วนของลมนอกจากนั้นจะต้องกินอาหารกินเขา่าไปทายเทยออกมานนันส่วนของดินแลอวจากนั้นต้อมากินน้ำํำเยว่ออกมาส่วนของน้ำํำนอกจากนั้นร่างกายนี้เมื่อมีดินมีน้ํามีลมแล้วมันก็ต้องมีไฟคือความอบอุ่นในนี้นี่ว่าเป็นตัวของธรรมาชาติส่วนจิตคือความรู้สึกนั่นก็เหมือนฐานไฟฉายอยู่ในตัวไฟฉายใชย้ออกมารับรู้เป็นแฝงเป็นพลัง นี่คือธรรมชาติที่อันหนึ่งหรืออย่าว่าวิญญาณนะท่าทัดุวตมัยเวต่างเป็นศักว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นเรามาจากธรรมชาติมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมเราอยู่ด้วยธรรมชาติคือจะต้องกินน้ำจะต้องกินอาหารไปบำ ร, รุงดินต้องหายใจเข้าไปเพิ่มลมต้องทายเทยลมออกมาต้องไปขายออกต้องไปโยออกต้องมีความอบอุ่นในร่างกายแต่ร้อนมากไฟมากกันไปกระทบพิการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวมัวก้าวตไปกินยาปวดหายทันใจเข้าไปโนู่น เพราะนั้นชีวิตจึงยืนรองอยู่ได้ด้วยธรรมชาติคือเอาดินเอาน้ําเอาไฟเอารมเข่าออกเข่าออกเข่าออ ก, ออกและเวลาตายมันแตกสลายธรรมชาติกับคืนเมื่อบ้านเก่าว่ายสัตวเมื่อบ้านเก่าดินกับคืนไปสู่ความเป็นบ้านเก่าของดินคือไปอยู่กับดินร่างกายเลือดเนื้อพวกเนื้อหนังมังสังโตกเผาไหม้กลายไปเป็นดินเมื่อบ้านเก่าไปหาดินลมหายใจพอตายปั๊บออกจากดังมั่บ หายไปเมื่อบ้านเก่าประยูนเอหมู ล, ลมของมันส่วนความอบอุ่นในร่างกายตายละเย็นจ่อยไฟมันกัเมื่อบ้านเก่าประยูนกับหมูไฟของมันนีน้าเลือดน้ำหนองน้ำลายไขมันเปลวมันน้ำหมดอะไรต่างๆก็ขึ้นอืดเป็นไอระเหยขึ้นไปสู่หมู่เมฆเมื่อบ้านเก่าห้า้นาเป็นฝนตกลงมาคือเกา <NYU. S 2> นี่เราอยู P P ่ด้วยธรรมชาติมาจากธรรมชาติและจะกลับเขินไปสู่ธรรมชาติวนวนฝ่าหองคาละงมฝนว่าโย่เพียงหลวงขวัคุ้งดาวพฤกษ์ซาเสี่ยวแสงกอการกีบจดูเพื่อพร้อมเพ่งตรวจเตือนแถวมหาเมฆเข่ากับนงเน่งบางบทสุริยาเอียงคําแรล่งลงใหม่กันท้อไซแสงขันวันเพ่นติผาคามาค่ะประเสริฐลําเล่นเทียนหนอมนบพะคุณวันเพ่นเดินสามยังเป็นมาค่ะ บูชาวันที่ยิ่งใหญ่ที่ระศาะดาได้ประทานโอวาดปาดเตมอกหลักใหญ่แก่นสารแกนกลางของพุทธศาสตร์นา8ปดหมสี่พันพระธรรมขันเพื่อมาให้มันเกิดอาการฟันฟ่นเฟือผ้ามัว่วจะไปบอกใครไปสอนใครพระอรหันต์หนึ่งันสองร้อหสิบกลุมาพบกันเป็นมหาสันนิบาตพุทธเจ้าก็เลยบอกวันนี่สามอันนี้นะไปที่ไหนก็ให้ไปเทศสอนก็นอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทําดีชําระจิตให้ผ่องใสเป็นระบบพ้องชีวิตรเบียบของสังคมการละชั่วนั้น เป็นศีลธรรมการทำดีเป็นจริยธรรมชั่มละเจตให้ผ่องใสเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อโลกเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อเนกาตีเนื้อโพสตีเนื้อทุกเนื้อสุกเลยไปหนุดพุทธศาสนานก็เลยมีสเปเชียลเรตีนี่ก็มีขึ้นในฤดูเดือนสามฟ้าไข่ปักโตในยินเสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงประธานพรจากสองสวรรค์นั้นมันหมายถึงชีวิตอันหดดท่ากลางพื้นเป็นดินอันแห้งแล้งของชน ช, ช, ชาวอีสานจะได้เพาะปลูกกันอีกแล้ว แย่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเราได้ยินเสียงฟ้าร้องที่เหมือนเสียงของเทพแระเจา้าเปิดประตูถึงขนาดว่าฟ้าไข้พักตกแต่ในเมืองหลวงในนครใหญ่ๆได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เป็นเสียงธรรมดาเหมือนเสียงรถเสียงเรือดีไม่ดีออกจะลำคานรถติดแน่แล้วฝนตกแล้วสกปรกทนนนรถก็จะติดไปมาก็จะลําบากนี่ก็จะเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมความเป็นโจของแต่ละครแต่ชาวอีสานของเรานั้นถือว่าสวรรค์มาโตกแล้ว ฟ้าไข่พักตโตอก็มีปากหนาอ่ิมีหูขีมาครับปอบทุกวันแม้หมันทองแวบชาวบ้านก็เลยมีพิจินึงก็คือเปิดประตูหัวใจคือใจิตใจนี่จะต้องเปิดประตูออกมาอ้ารับสินรับธรรมรับคุณงามความดีในฤดูเดือนสามเสี้นสามข้ามฟ้าไข่ประตูชาวบา้านเปิดประตูเล่าประตูเยีย่ยแล้วก็ตักเอาข้าวอยู่ในเล่ามาซีสระหนห่ือนจะมาเปิดประตูหัวใจทําลายความเท็จแก่ตัว เอาผลงานที่ตนเองในทํามาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกัดดินทีบาแบกลังนุนกลางทุ่งกลางถาการป่ากลางเขาโขกทํากลางตมโครเลนเสร็จแล้วก็เอาเรี่ยวแรงที่ตนมีนี้สีลสละออกมามารวมกันเป็นบุญพาไทายข่าวบุญคูรานหลังจากนั้นกาะท้ายมาสร้างสาธาลณะประโยชน์ขดน้าบอ่กอก่อสาลาสร้างเปนสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของชมชนให้เกิดขึ้น นอกจากนั้นในวันนี้ทําบุญตักบาทฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมแล้วเสียสละข้าวปลาหานก็มีการสู่ขวันข้าวจะด้วยนะเรียกขวอนข่าวได้ต่องได้ตีทั้งหมดนั้นเป็นการสํานึกถึงบุญคุณแม่พอศพทั้งเราเชื่อกันมาทั้งนั้งที่ข้าวปลาหานั่นไม่เคยทวงบุญทวงคุณเราลอ้อเราจะตีจะข่าร้อนต้าขึ้นมาเตะเป๊ะเป๊ะเมืไม่พอจะเอาไฟเผาทั้งถุงก็มไม่โกรธไม่เกียดไม่เคียดไม่ชงังแต่ในใจของเราเนี่ยสานึกถึงคุณค่า บุญคุณกองเสียงเหล่านั้นจิตใจมันไม่สบายจะเลยสู้ขวัญข้าวด้วยสู้ขวัญขวัญแปลว่ากําลังใจกําลังใจก็คือสมาธิสมาธิก็คือจิตใจที่ตั้งมัน่นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆดําเนินชีวิตอย่างมัน่นใจอย่างมั่นคงจะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องมีขวัญขวัญก็คือกําลังใจกําลังใจก็คือสมาธิเมื่อจิตใจมันเมื่อตนหมนจิตใจมันเศร้าหมองเร่าร้อนโจฉมันจะมีสมาธิได้อย่างไร จิตใจยังเป็นหนี้ต่อบาตต่อกรรมที่หวาดเราทําอะไรไม่ดีไม่นามจิตใจมันเศร้าหมองอยู่ก็เลยมาทําให้มันไม่เศร้าหมองเคลียคิต จ, จะเป็นบาเป็นกรรมก็ข่าวก็ปลาก็เคลียด้วยการโ่ขวัญข่าวขอกรรมมาลาโทษนอกจากนั้นก็เลยลึกลงไปถึงงวงถึงควายัวงวุยที่เคยงวงควายที่เคยร่วมแรงร่วมงานบุกเบิกมานํากันเป็นผู้หลากแอกหลกักใช้งานหนักสมัยก่อนเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ยังไม่จเจริญเราเอาศัยงวควายเหมือนพ่อเหมือนแม่ แล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ข่าวแบบปลามาเปิดประตูเล่าประตูเยียบฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้าออกมาสู่สิ้นสซชมทําสุขคนงามความดีซ้ํำนึกถึงบุญคุณข้าวปลาอาหารตํานึกถึงคุณค่าของงวของควายตอนไถใส่ไร่ไ ท, ไทนาใสกวีนได้ตีได้ข่าบางทีควายมีทองถือผ้าข้าทองตีป้ายแต่สุดเศจะไปบางทีงวัวควายน้นําตามันไหลมันร้องไห้เพราะถูกตีทุก เขียนทั้งงานหนักๆทั้งหิวยานะตีบางตัวมันน้ําตาไหลให้เห็นเลยวันนี้สํานึกถึงบุญคนของมันที่จะเอาข้าวมาทําบุญกันทำสาธานะประโยชน์อุทิศส่วนกุศลให้แก่มันอีกด้วยและก็มานึกถึงคนข่าถ้าไมมีมันขึ้นมาไม่มีงัวไม่มีควายขึ้นมาเราจะได้ข้ามาปองในนี้ไม่ได้ทําบุญใหม่คนโบราณก็เลยเอาน้ําอบน้ําหอมไปตบหัวงั ว, วควายในเดือนสามถึงสามข้ามขอขมาลาโทษ น้ำหอมนั้นหมายถึงน้ำใจอันกลุ่นไปด้วยบุญคุณสั่นึกถึงคนฆ่าของเจ้าได้อาศัยเจ้าแดดต้อยแดดตีสีสุดสีใต้บางตัวนั้นร้องไห้น้ำตาไหลบางตัวยิ่งทุกวันนี้ไปมันวิ่งแล่นถ่าทา ถ, า ถ, า, ถ, า, ถาถ่ามือได้มีมวยตู่กลัวจะไม่ทันมวยอย่างนี้ยิ่งหน้าคาหนึ่งถึงบุญคุณของมัน แต่ก่อนสมัยนี้ใจเจ๊ ใ, ใจดํากันบางทีไถนา ง, งอมงอมจนจะเสร็จแล้วงานสุดท้ายในคืนก่อนที่จะไถนา ง, งานสุดท้ายไปตกลงราคาแล้วขายควายเท่านั้นเท่านี้คนกัดตกลงพูกกันมาซื้อพวกนี้ไถนาเสร็จก็ฆ่าได้เลยถือกระตาถือผ้าถือเมียมานังฝูสาบล่าปานแห่งอีมนยุกถ่าอยู่คันธนาแล้วระบอกโบเทิร์นไว้สัญญากระได้เนื้อ พอเอามาก็ค่อนนําหัวอยู่หัวหนานตึมต้มตัวใจเจ๋อใจดํากันเลยกันเนาะนี่คนโบราณสํานึกในวันเดือนสามคืนสามข้ามุมสันวันดีในสามรอยหกสิบห้าวันวันนี้นอกจากคํานึงถึงคุณค่าข่าวปลาอาหารสู่วัดแม่โพศพขอคมาลาทนแล้วยังจะต้องเอาน้ําอบน้ําหอมไปตบหัวงวหัวคอยขอขมาลาทวดเขาเมันที่ได้ต่อยได้ตีนอกจากนั้นสํานึกถึงคนค่าสู่เล้าเต่าขวันอีง่องอีดอนอีเล หักเทิดดำหมักเถิดดอนอะไรต่างๆแม่รู้สึกว่าคนโบราณของเหล่านั้นเต็มไปด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยบุญญาบาลามีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตอนนั้นพร้อมที่จะเกิดมาซึ่งบุญญาบารามีเป็นที่เพาะหวานแห่งบุญมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณของเราก็เลยได้ทำกันในเดือนสามนี้อยากจะกล่าวได้เต็มปากเลยว่า เดือนสามฤดูกาลแห่งการแสวงบุญของชุมชนชาวอีสานนอกจากนั้นก็ยังมีงานจแจญ่อีกงานนึงก็คืองานน้ำมศการไหว้พระาธาตุพนมในสมัยโบราณพอเริ่มเดือนสามเคลนมาเนี่ยเอาแล้วคนโบราณจะไปไหว้พระาธาตุพนมเดินกันนะั้นสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญค ม, มนาคมยังไม่สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ จะต้องเดินจากเนื้อจอดใต้สองฝ่าฝั่งแม่น้ำของของเราทางฝ่าฝัา่งขวาทางประเทศไทยนี่ก็มาตั้งแต่โครัดกันเองนุ่นแหน่ซีสเกตสุรินทร์บุรีรัมสุรินทร์จำเปรีอรตนะตาตรูมซีสเกตกันเองอโอบัยญัติพรมุกดาหารมาทางสกลนครตากสินร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิทางเมืองเลยบุนก็คือกันนั้นแล้วพากันมาแต่ก่อนนู่นนไม่มีรถมีเรือเดินมาพระเดินน้ำหนาคารวาดเดินตามหลังหาบกระดอนคอนกระตา มามีข่าวมีปลาคําไหนก็พากันนอนไหว้พระสวดนมนต์พากันนอนพักบ้านไหนเช้ามาหนึ่งข่าวหนึ่งปลาจังหันแก่พระสงอ์ที่ไปด้วยกันชาวบ้านกลมาทําบุญสุนธรรธานมาขอหุ่นส่วนแห่งบุญโอ้ยขอยขอบุนขอหุ่นนําเจ้าเด้อไปถาบพนมมาลิ้งเตี๋ยวเพื่อมาพัด้วยชุมชนชาวอิสานเราสมัยก่อนนู้นเป็นคนดีมันงามกันอย่างนี้เท่านั้นพี่น้องทางประเทศเลาวพี่น้องทางอาณาจักรลานช้าง แต่ก่อนนั้นถ้าจะว่าัปแล้วมันแยกจากกันไม่ได้ไทยกับลาวสองฝากฝั่งของนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรไซโคตมะปุระตามหลักภาษาสาสตรที่สมาดกันให้มันสั้นลงเลยว่าอาณาจักษาษาษารไซโคตบูนเป็นชุมชนสายเลือดเดียวกันแมนสิมุตมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกลาเลนไีโคตบูนยังเป็นซาดแสงสมเส้อ เรือเป็นแนวแถววายหิ้มของสองฝากฝั่งธาตุพนมตั้งเจนเทินเหม็นโมนเข้าพอแม่เหาไอ้า น, น้องเอ้ยที่น้องชาวฝั่งใายตั้งแต่จำปา ส, าสักสีทันดอนถาแปงตะวันปากเตเนินกาแสดองคันธงเกิดมาถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกเข้าไปเลิก้าไปทางนูน่นคำเกิดคำม่วนเหลือขึ้นไปทางนูน้นเอาผ้าตั้งวังเวียงล้วงพาบานทั้งนู่นนะเมืองแม่กาซีคุณกับมาเมืองแม่กาซีคุณหากันมาทางนั้น มพวกอยู่ริมน้ําพี่น้องชาวทางเหนือก็ล่องมากับน้ําชาวทางใต้ก็มาทางน้ําก็ได้เดินมาแล้วมาข้ามฟังเลยก็ได้แล้วแต่ตะลุกเต๊ะไปหมดเรือแพมืดฟ้ามว ด, ดินก็นมาเลยเต็มตามลำแม่น้ำข้องมาแต่มาพอจะเรียกน้ําของนะ้ําไม่ได้เรียกตามฝรั่งฝรั่งคขาบ่าโคงเขาออกเสียงไม่ถนัดไอ้นี่เราก็ลืมกันไปเพราะเหตุนั้นในเดือนสามเนี้ย คนโบราณในสมัยก่อนนู้นท่านไม่ยุ่งยากลําบากไม่หัวหกก้นคิดยังทุกวันนี้ทํานาปีละครั้งเดียวก็มีความสุขใจเก็บไว้ทยู่ถ้ากินไม่ได้ขายใช้นี่เกษตรากรเดียวนี้ทํานาปีหนึ่งได้เก่งได้ข้าวมากกว่าคนโบราณทำสามปีถ้าเราหากไม่โลภกันนะทําปีหนึ่งนอนกินอีกสามปีก็ไม่หมดแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นปีหนึ่งทำนาอีกห้าหนนมันก็ยังไม่พอที่จะใช้ จ, จ่าย นอกอยากทำงานแล้วก็ ต, ตัดปอมาแช่มาตีปอแปแปลแปแบขายใช้เงนินมือยังไม่หายแหม็ น, งนเงนินหมดไปแล้วนอกจากนั้นก็สวนมันไม่มีเวลาที่จะเปิดประตูหัวใจรับคุณงามความดีมีแต่การดิ้นรนกวัดแว่งในที่สุดก็ตายเปล่าเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ําอยู่ในโลกไม่รู้จักโลกไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเกิดมาแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีมากแค่ไหนก็จะเอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ทั่วทั้งโลกา ปราธนาอยากได้ในที่สุดมันก็เป็นปรกูริไบโอ้แบบหยีปุ่นเป็นโคราซิตายกระทันหันตายเพราะเครียดเพราะไม่รู้จักโลกตายจมโลกโลกคือสิ่งที่จะต้องแตกดับชีวิตคือสิ่งที่จะต้องแตกดับจะล้องกันไปเยึดมันถือมันมันชั่วคู่ชั่ว ย, ยามใดมันก็เป็นทุกอย่างนั้นคนโบราณจึงบอกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ํานกบินอยู่ทั้งฟ้าบพเห็นหอมเวหาปลาอยู่ในนั้นที่หลวงกลับบอกวันเห็นน้ำ กี่เกเดือนบูมันท้อลันี่มาแต่เกิดยังบ่เห็นแผ่นเผื่อดินงหม่นจนนอนตายฟูงหมูกินมีศาสเือแนวนอนน้ำนอนนอนอยู่ในอาจมกับบ่เห็นกองทีกี่มีล่าเสือรนอนในลมโขดปากดูดกินอยู่ขมือยังบ่หูว่าไม่ยังฟูงหมูนอนราชาเสือร์น้ำนอนแนวคนเวียนว่อนในโลกกากะดังเดียวกันนั่น เทียมดังนกบ่เห็นฝ่าฟุ้งปาตาบอดเน่าอยู่ในแม่นม้มบ่หวนหูแม่นาที่เทียมดังทุ ก, กตาเสือขอทานคนบอดก็จักเนื้อแล่ไตเมาบกาพวงไปพระพุทธองค์ทรงเทศดไหววาชาติ่วมเกิดนันเป็นทุกชลาค่วมแก่กายแต่ทุกไลเอาหายอันความเจ็บความตายเหมียนมอละนั่งทุกขังในขันไปผ่าน พ, พอๆแนวสั้งนันตัดทุกไล อันเน่แห้งยิงลําผัดผากต่าแฟนถูกพอะลุงเอ้ยอุกแตนอุกในช่วงขอบห่วงน้ําเน่าสิดได้ถูกย่อนถือกันหาอุทปทานพ้นลําบากง่ากเพราะความยึดมันใจเจ้าบ่ปล่อยว่างยุ่งอยู่ทั้งปียากอยู่ทั้งปีสมัยนี้ไม่มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเหมือนสมัยพ่อแม่โบร่ําโบราณของเราโบราณของเรานั้นท่านมีความสุขมากกว่าพวกเรา ข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านทั้งกับมีความสุขแล้วดำนาเสร็จแล้วทั้งก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ดำนายังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปนู่นไปตัดปอแล้วตัดปอยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปได้ยาหมันได้ยามันยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบไปเกี่ยวข้าวฟาดข้าวยังไม่เสร็จใจมันก็จะรีบขายจนไม่ได้เอาใส่เหล้าจนไม่มีเวลาเปิดแต่ก่อนโอ้ยข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้าน เอาไว้ส่วนหนึ่งพอได้กินอีกส่วนหนึ่งยังไม่เปิดประตูเรารอวันนี้อยู่วันเมือ่อสันวันดีวันเฟธธีอามุตสะก้นมาฟ้าร้องกลางคืนคืนเดือนสามคืนฟ้าไขประตูหัวใจก็เปิดอ้ามารับสินทำรับคุณงามความดีไขประตูเราเอาข้าวซึ่งเป็นพลังงานที่ตนได้ทํำมารวมกันหล่อล้อมออกมาแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองมาทําประโยชน์แก่แสังคมแก่ส่วนรวมหลังจากนั้นก็ไปเอาบุญประทับพนม ทำบุญประทาข้าวเสกพากันเดินไปนมัตสการพระธาตุพนมโลกล้านชาวสีโคตรตบูนสองฝากฝั่งเมื่อดฟ้ามัวดินกันมาแล้วมาหว่ห้มกันเรีลว่าสมผ่านเบื้องบาลมีเฮียงหอดกันแล้วอยู่ไกลกันสุดขอบฝาได้มาพบพบกันย่อนปรบุญเก่าเกลในสร้างหวมห้มกันไพ่หอนคืนคัดเสื่องบาปปุ่บปมีใดใหญ่บนนักมาถึงแหลวไกลปันไดก็ได้จวบกันแล้วเมนว่าสุดขอบฝาแต่งานเยือย่องถึง ลอดไม่มีเดินกันมาเป็นแ้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นหลังจากงานไหว้ประาับพระนมเสร็จเรียบร้อยเกาะในวันสุดท้ายก็มีงานมาคบบูชาวันตีประพุทธิจารประทานโอวาทปาติโมกดังกล่าวแล้วเพราะเหตุ น, นั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนโบราณ น, นั้นท่านพูดอะไรไว้เป็นปริศนาว่าฟ้าไขประตูเปิดตองเอีย่ยง ความจริงฟ้ามันจะมีประตูมีหน้าต่างหรือไม่เรามองไปเวลาใดก็เห็นแต่จางปางฝ่าเบลิลเบลาาิกบูรพ่า้ายประไพลําเปลยผัดเหมาะขวั่นคุ่มดาวอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นแต่ทมัยตั้งแต่ว่าฟ้าไขาประตูคล้ายๆกับจะบอกลูกหลานว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่ดินตั้งแต่ฟ้าก็ยังมีโอกาสเปิดมา่านไขประตูออกมาฉนัยเล่าจิตใจของเจ้าจึงมืดมนเล่าร้อนกระวนกระวายไม่มีโอกาสจะเปิดจิตใจแย้มบานออกมารับสินรับธรรม มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นตั้งแต่ตานเวลาที่ผันผ่านหมุนเวียนเปลี่ยนไปและดูการที่เปลี่ยนผันไปนั้นดอกไม้นานาชาติบุพผาชาติลูกชาติาต น, านานาพันุบางชนิดมันไม่เบ่งบานในยามฝนมันก็มาบานเอาในหน้าแรงอย่างต้นดอกนิ้วดอกจานเบ่งบานแดงสะพังดอกมะม่วงในหน้าเดือนสองข้อยมาถึงเดือนสามพอเข้าเดือนสี่ถึงเดือนห้าไปแล้ว ละดูหนาวต่อฤดูร้อนดอกคูนก็บานเต็มต้นเลืองสะพังพอเข้าหน้าฝนดอกไม้อย่างอื่นก็เบ่งบานเป็นลูกเป็นมะจิตใจคนของเรานั้นจะไม่มีเวลาเบ่งบานเปิดประตูแช่มบานมารับคุณงามความดีรับสินรับธรรมเหมือนฟ้าไขประตูบ้างเรืออย่างไรคนโบราณยังพูดไว้เป็นกะเป็นกอนไว้แง่เมริทีตัง้งเติมฤดูเดือนใหม่ม่านันดอกเกศบานสะพังพร้อมน้ําหล่อมอยู่แค่ลำ สะพังผัวพ่วงพีสารพีกนิกาไายเหือไพ่พ่วงกว่างลำดวนดวัวหอมเย็นดอกป่วยโบมตะระเวกเกีย่ยวหอมกลุ่มบาดคำเล้งยามือเดือนสามขึ้นหนาวลมหนาวน่วงมาแล้วดอกหมักม่วงหอมอินอ้อยย่ามขคอยคำเล้งดอกกาดแดงซุกเต็มต้นบานปนกันดอกหนูปาส ก, กุลหน้าบินส่วนแสวกรแวงกว่ากินหวานบัดตะคนเท่านั้นสีบาบานจักเถื่อมีบอเ ร, รือว่าบานบอดาใจเจ้าหักหมดมน ม, มีแต่ว่าเมิดกลุ่มจนลงหอมควมขึดคือจังฝนลิ้นเสียเมนาที่ทลัลังแหกพร้อมจิตดำดินดันเดินซซ้นแฝงขอบโอ้โห้ยค่วมพระเทิดเจรจอ ย, จอยหูหน่อยสางบอฟังดนะีเนาะดอกไม้บางชนิดยังเบ่งบานดอกเกศบานสะพั่งในหน้าเดือนสามนี้นอกจากนั้นก็ยังมีพวกทันมีกาสารพีลำดวน ที่จังหวัดสีสเกตจัดงานวันดอกลำดวนบานที่วัดอาตมาดอกลำดวนบานเมื่อเริ่มเมื่อเดือนสามจะต่อเข้าเดือนสเราก็จัดงานสมาธิปริวานนับผู้ฝ่ายทำดอกลำดวนบานหอมเย็นเย็นดอกกล้วยบอมกาลาเวกที่เป็นเคือเป็นแถว เ, เขี้ยวเย็นเย็นหอมในยามขําแหลง ใ น, นเราจิตใจเราจึงไม่เบี่ยงบานหอมหวนตลบอบอวนด้วยคุณงามความดีนีด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นกันดังบ้านแล้วแม้แต่แก่แต่เท่ามาแล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อบุญเพื่อกุศลอยไม่ยอมไขป ร, ประตูเปิดปองเอี้ยมให้แก่หัวใจเลยคนโบราณยิ่งบอกว่าอายุยืนเนีา่ยมาหลายปีทางเคสหลกักมาพองงูเถึอกหน่วงหางเกี่ยวเกาะนูเดือนเจีย ง, งเึินน้ำลมบกเมื่อยขินนอเดินนี้ต้องหลอหหอนเดินหาปัตตานาว นี่เป็นยังไงจะเป็นอย่างหนึ่งงูเถือกหลวงหางเกี่ยวเกอะหนูหัวสมเข้าไปในรวงจะตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูจิตจิตหนูแทกเหมือนกับจิตใจของคนเราไม่รู้จะตายวันตายพุ่งแก่เท่าเท่าไรจิตใจยิ่งกอดยิ่งเกี่ยวอยู่กับโลกกับล้านไปไหนมาไหนมาได้เป็นห่วงลูกล้านวันดีคืนดีอยากตายน้อยใจลูกหลานทำไม่เอาอกเอาใจถ้าดีใจขึ้นมาก็อยากจะมีอายุยืนยืนอยู่ในโลกน้ําล้านไปโดนโดนนานนานไม่รู้จะเอายังไงงูเถือหน่วงหางเกี่ยวกอดหนู ครูบาอาจารย์ชักชวนไปประพฤติตินประพฤติทำไปวัดโน้นวันนี้เป็นนั่งอยู่วัดใจกลับไปเกี่ยวกอดเงอนกอดสารอยู่โน่นความจริงมันก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาใจิตใจไม่ยอมไขประตูอย่างนี้เลือนซีปน่ปฎวห่อนเดินหาปฎวานาวเหลืองนี่จะเป็นอย่างไจ้าเหตุหนัน่นเดือนเจียงขื่ น, นหนาวลมพ่อยทังปีนี้เดินหาสังติมาแลมขอดนหนาวห่อนทางซ่วงคันวัดถือขิงไข่หนาวถือไข่อย่าลืมไล่ผ่าหอมเขาเดอ้อให้เจ้าตุ่มผ่าไหวข้างซือื่นหากสี่หัว ถ้าหนาวไขธรรมดาก็ห่มผ้ากินยาปวดหายทันใจมันก็หายไปสาบายแต่นี่มันหนาวอีกแบบหนึ่นงเดีมันยุ่งยากลาบากนักน่วงเหนือทนสว่างพ่วงผิดแน่วนั้นเป็นไขขิงเบาหวานไขสุขห่หอมปัวดวเฉาดีเหว่าฉันมันไขใจไขอุปทานไขกีเลสไขตันห้าไขา ย, ยากนี้ไขา ย, ยากเป็นเลยนี้ไปไม่จัดยุ่งยากทั้งปีทั้งชาติ ใครๆก็รู้ว่าคุณงามความดีนั้นมันดีแต่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ก็เลยยากอยู่ทั้งปีทั้งชาติไม่มีเวลาที่จะว่างเพื่อจะเปิดประตูหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูเดือนหนึ่งเดือนสองมาผัดวายหยกน้ำเผาเดือนสามมาหยงนำย้ำไฮเดือนสี่ผัดวาห่อนเดือนหาผัดว้าโซ่พัดแต่เดือนหาขึ้นถือขิงไขส่สวสรผัว่า เดือนหกมาฮอดแล้ว์น้าวสัมบเติมฝนเดือนเจ็เดือนแปดข่วนทีอ่ำเดือนเก่าข่วนทีห่อนสังมาสับเติมน้าวเดือนสิเดือนสิบเ็ดขึ้นพ่อกระซ้ามผักไข่สันเดือนสิบสองมาฮอดแล้วคขว่วมไข่กระบอเศร้าเลยจิตายค่าทำมาเห็นทำพระเจ้าตาวแะแล้ว่อมีแต่ยากยากอยู่บ่แล้วถ้าพร้องเถาะหอดมือตายงามได้ดีจิตใจสบายบาั่งเศรมีแห่งจะเผื่อพ่วยไงไม่ไงเลย งามเลยเนะาะเสดเปิดปล่อยเปื่องให้ใจเจ้าได้อยู่เย็นไผบัวจำใจเจ้ากินสา ร, ร, รของเบื่อเมาหน้เจ้าหักเป็นโพหูใจเจ้าดูเองของหวานเจ้าหักค่อยวาศพดยงจันทร์สื่อมวาดสตีเครือเขาห่อเจ้าหวานจังอ่อยกระตามเจ้าสร้างแล้วไผบัวจำใจเจ้ากินสารของเบื่อวันก่อนไปเทศที่บานแพงบ้านไผล้อมพระเดชประคุณล้วงพ่อเจาอ้าคณะอัมเภอถ่ันมาในบนจัน ง, งานปริวัตรกระตามแหมญาโยมมากันเยอะ โรลกรล้านนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมแห่กันมาเต็มทั้งประสงค์องอาจารนรู้จักเท่ไทยขายฟังเทศ่จบแล้วยังมีมาตามหลังโอ้ยเน่ยกูเอ้ได้ยินแต่เสียงบันนี้ได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วว่าฉันโอ้ยเท่ไทยก็ก น, น้อยฟังผายโผล่ายเอาเขาน้อยแน่ท้ออ่านส่วนไปประพฤติเป็นประพฤติทําไปบอได้จก่เม่นมันยากมันจะตายคาส่วนยานี่แหล้ว่าฉันเนีย่ยกูเอ้มาเทโปวดผายเอาผู้ฆ่าไปในถอดมันออกบ่อนอได้น่ะเห็นไหมล่ะ คนโบรานบอกว่าโอ้ยไพ่ปจําใ จ, จเจ้าให้กิ้มสารของเบื่อเม่าแหล่เอา้าเจ้าหากเป็นปูหัวใจเ จ, ะจะ้าตูวเองยากก็รู้เองสบายก็รู้เองทุกก็รู้เองของหวานพ่อยวส่งจ้วงจันสิลืมหวาดสตี้เขาห่อเจ้าหวานก็อ่อยตามก็ตามเจ้าสั่งแล้วเสียใจไหนหนองจะให้กบ้าอาจารย์ช่วยก็ไม่รู้จะทํายังไงช่วยก็ช่วยเต็มที่เทาทามวิทยุก่อจนเหนื่อยไปวันนี้มาถึงบ้าน เมื่อไรยนาะจะมีเวลาไปพายโผดเจ้าอีกทีอันนี้เรามัวแต่ยากกันอยู่ไม่ยอมเปิดประตูหัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูหนะ่านตะั้งแต่ต้นไม้ต้นล่ทั้งหลายเขาก็ยังรู้สึกมีเวลาเบ่งบานบ้างในหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฝนคนเราทำไมจึงจะเบ่งบานทางด้านจิตใจไม่ได้เพราะชีวิตที่แท้จริงนั้นมันก็โยกันไม่นานนักหรอกในกี่วันกี่ปีเราก็จะจากโลกนี้ไปซะแล้ว ก็ควรจะหาสิ่งที่ดีที่งามมาเติมใส่เข้าไปในชีวิตเปิดประตูหวัวใจไขปองเอี่ยมคือฝ่าเปิดประตูเดี๋ยวนี้โลกยเยรินก้านวนวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาได้พัดพามนุษย์ออกจากธรรมชาติมนุษย์ได้เฮินห่างไปแล้วจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากกว่าวันก่อนอดมาได้ มีเวลาอยู่วัดครึ่งวันโยมนี่บนลงไปตลางทุ่งไปแสดงธรรมอยู่กลางทุ่งเปิดสงเคราะห์คนเขาทําบุญกันอยู่ในกลางทุ่งช่วยเหลือคนอยากคนจนไปทําบ้านให้คนจนจนคนหลังที่แก่เกิดมาเป็นคนพิการอยู่กลางทุ่งก็เลยไปแหมนานล้าเกิดไม่ได้ไปลงไปกลางทุ่งตลางท่าพอมัวแต่ไปเทศไปซอดในต่างจังหวัดบางครั้งก็ไปนั่งเทศอยู่ในห้องแอร์บางครั้งก็ไปยืนปลาตะกระถาทำอยู่กลาง สนา้ทำกลางหมู่คนมากหมังไม่ค่อยมีเวลาได้สัมผัสท้องทุ่งโดยธรรมชาตินอกจากอยู่ในวัดก็มาวัดกลางคืนมืดแล้วเช้าอย่างนี้ก็เดินจากวัดอย่างเก่งแล้เข้าไปบิณฑบาตเ ท, ท่านั้นแต่วันนั้นได้ออกไปในทุ่งในท่าไปเห็นดอกบานดอกจานบานแดงๆอืมแล้วก็ทำให้ความคิดดิสะท้อนย้อนคืนไปโสภาพในอดีตตอนเป็น เด็กน้อยอยู่ตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาสมัยก่อนนนป่าดุบ ด, ดงดําเราเห็นงัวควายเป็นทุ้งๆอยู่กลางทุ่งแต่มีไม่มากนะักเห็นดอกจานแดงๆอากาศค่อนข้างจฉนหนาวแต่มันผิดกับภาพที่เคยพบนกเอี่ยงนกแซงแซวเอินกเป่านกมุมอะไรมันบินสแสวงหาดอกดอกนิ้วบานดอกจานแดงดอกนิ้วป่าแดงๆมันได้ ก, กิน สมัยก่อนเป็นเด็กๆเลี้ยงงูเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งตามปาแต่เดนนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายออกไปกำลังอยู่ในความรู้สึกภายใต้ความทรงจําของอดีต ป, ป่าที่เคยมีมากป่าแฝงป่าเราในการทุ่งในทามนั้นหมดหายไปสิ้นป่าไม้ใหญ่ๆก็หมดไปมองไปทางไหนมีแต่ทุ่งสงเวชตลดถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายหนูมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อทําลายแท้ๆอาตมาก็คิดไปตามประสา และอาชีพต่อไปถึงความหวงอันยิ่งใหญ่ของรัฐ บ, บาลอีสานเขียวนั่นเอง เ, องเดี๋ยวนี้ควายก็กําลังจะหมดไปมีควายชนิดใหม่เข้ามาแทนอาตมาพยายามมองด้วยความอาลัยล้ำลึกมองด้วยความคิดถึงมันต่อไปนี้ไม่นานเอีกนักละเนาะดอกจานบานแดงอยู่กลางทุ่งนี้ก็จะหมดสิ้นไปเขาจะโค่นเขาจะ ตัดต้นโค่นรากแล้วถึงถอนมาทำไร่ทำนามันจะเกะกะสถานที่เขาทำไรทำ่ทานาภาพเรื่อนี้นับวันที่จะเลือนหายกลายไปสู่ความทรงจงในอดีตนึกถึงคนโบราณแต่ก่อนที่ท่านเคยพูดเคยสะท้อนสะานออกมาพร่อเมื่อเดือนสามสิบลมนหนาวลมหนาวนวงดอกมะม่วงหอมอินอ้อยง่ามค่อยคำแรกตอนเย็นๆดอกมะม่วงหอมกุ่นเนี่ย ดอกการแดงสุกเต็มต้นบานปนกันดอกเงียวป่าสกุลห้าบินส่วนแซว ส, สวงกัวกินหวานเด๋นี้ก็ยังพอมีดอกเงีวบานดอกการแดงตามทุ่งอยู่บ้างแต่ถึงก็ไม่มากแซมูสกุลนานนกทั้งหลายที่จะบินส่วนแซว ส, สวงกัวกินละออกินหวานนั้นไม่มีแล้วเกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ไหนเอาปืนไปหาไล่ยิงกินก็จะชิบหายวายบอดคุกวันนี้ยังเหลือแต่แมงวันกับแมงกระพรับ กำลังทุจารณาอยู่ว่าสิกินแนวใดใจะจังใดจึงสิงกินแสถ้าวันไหนได้ค้นพบสูตรวิธีกินแมงวันอร่อยแล้วก็เมื่อนั้นมคิบหายอีกต่อไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนั้นคนโบราณบอกว่าพ่อเมื่อเดือนสามขึ้นหนาวลมหนาวน่วงดอกมะม่วงหอมอินอ้อยง่ามคหอยคำเล้งดอกกานแดงชุกเต็มต้นบานตนกันดอกหิวปลาสกุลนาบินจวนแสวสแหวงกัวกินหวาน แล้วในหน้าเดือนสามนี่ก็มีดอกช้างนาวอีกด้วยตามโคกตามทุง่งรู้สึกว่ามันจะแบ่งบานและหอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วขเวลางจะพูดไปว่าดอกสั่งหนาวสิไก่จากกระดัน ง, งา่าบุษบาบาน บ, บกสีหางไก่คนกลับหอยสิหันหัวเอินแกวแวกขึ้งวัวแม่แฮจะงยูเปืเ่อยแถลงของจองไส่ปูอยู่ไกลก็ะิมาอยู่ไกกินแกงไก่บังยองดา หันละนอคว่ำค้น ล, ลึกล้นคือขุ้มกวยขั้วยสื้อผ้าเถียงโหนนยนไปบ่ได้สังวังไปไกรจักน่ะเดือนหาสองพอเห็นไปแล้วควายก็เทียงนาจวนจับไปต่อไปนี้เทียงนาก็จะไ ม, มไม่มีไม่มีไ ม, ม, ไ ม, ม้จะมาปลูกเป็นเทียงนาจะต้องต่างเต้นลงต่างคันนาตามนาแถบทุ่งกุราร้องให้ไม่มีเถียงแล้วควายก็จะหมดไปพร้อมกับเถียง แล้วก็จะมีควายโคบอตา้าควายยันต์มาเข้ามาแทนผู้อยู่ไกมาอยู่ไก่กินแกงไก่บักง่องดาอยู่อเมริกาอยู่แคนาดายี่สิบี่ยีสิชมงนั่งเครื่องบินมามาประเทศไทยอยู่เมืองไทยบินไปกินข้าวชาวประเทศอินเดียได้สบายๆนี่ก็เยว่าผู้อยู่ไก่มาอยูกก่กกินแกงไก่บักง่องดทันแลน้อความขนหลักร่ำขึนขมกวยกวยสาเ น, นอนอนไปบดยสั่งสั่งไก่จากนามเดินหาซองบอเห็นความเดือร้อนเกิดขึ้นว่า ในหลอกลมเมืองข้นฟาละบนข่ม ถ, ถูกสเกิดมีมาพร้อมให้เจ้าถนอมตนไว้ไม่ทำพุทธบาตร์แน่คนโบราณท่านก็นสอนหนามันเกิดวิกฤตการณ์ย่าดีจิตใจมากความทุกข์มากขึ้นก็ยันเลิมเช่นยันเลิมทำแต่พวกเราเป็นยังไงฟ้าไขประตูเปิดรองเอี่ยมแล้วพวกเราเปิดกันบ้างหรือ ย, อยังหนอะคิดถึงพ่อแม่ของเรานั้นเดินสามทั้งเดือนเป็นฤ ด, ดูการสวงบุญของชุมชนอีสานนอกจาก เอาบุญคูณเอานอกจากอาบุญผตายข้าวซื้อสละส่วนเกินของตนเองเอาเรี่ยวแรงที่ตนเองได้ทําไร่ทํานาน้นเกลหอมหลอมรื้อไว้ก็เอามาเป็นผามะพรีคือยกเรี่ยวแรงนั้นมาเป็นวัตถุข้าวปลาอาหารเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายสร้างสาธาระประโยชน์ร่วมกันนอกจากนั้นก็สํานึกถึงคุณค่าข้าวปลาอาหารที่เรามีชีวิตอยู่ได้ แม่พอศพลี้เรามาก็มีการโศกข ว, วัญข้าวขอกรมาลาทษนอกจากนั้นสำนึกถึงคุณค่าของงวงควายซึ่งเคยหัมแห้งห่วงานบกบิกมานํากันไทยนาง่งล่อมล่อมกินหายาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเลาะตีนทองภาพต่างๆเหล่านี้คนโบราณจานึกถึงคุณค่าของมันมากเขาก็เลยถือว่าวันดีในเดือนสามที่ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะดีจะงามรวมกันไปให้หมด เอาปุ๋ยใส่ไร่ใส่นาไปในตัวเสร็จเอาข้าวมาทานเป็นพวกบุญพธาลข้าวหลังจากนั้นจวดมอนเอาน้ําอบน้ําหอมไปตบหัวหัวหัวควายไปลดลาดอาบเทให้มันมันไม่รู้จักหอมจากเหม็นอะไรหรอกแต่เรานี่มันกลับหอมกุ่นด้วยความคุณงามความดีคือการสํานึกถึงบุญคุณของมันน้ํานที่ประพรมรดลงไปในหัวมันคือน้ําใจยื่หลังออกมาแทนความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเนื้อเป็นตัวนั้น แล้วก็เลยเอาความหอมหัวนั้นเสมือนหนึ่งความรักความมีตาความตามีความรักความสํานึกถึงบุญคนของมันแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนพ่อมันแม่คนโบราณไม่ใจเจิใจดาซึ่งกับถือกระตาถือมีดไปนั่งเฝ้าซับลาบรอไถนางงานสุดท้ายจะได้ข่ากินเป็นข้าวไงไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเดือนสามนี้เขาทําบุญกันฟ้าไขประตูจิตใจก็เปิด เยีมมารับสินลับทำถือเป็นมือสันวันดีสันนึกถึงคุณค่าของงูควายเมื่อเอาน้ําหอมตบหัวมันแล้วยังไม่พอยังไปโผล่คอตอแขนให้มันโผลเขาให้มันนั่นเจอาโดยที่มันไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นก็โศกขวัญให้มันมือดีเป็นมือสันวันนี้เป็นวันดีวันกะคอยจึงตูว ขวัญขัวไอบักดําถัวยอีดอนตัวบนมีเขาอีปีตัวบนกวงเอลนอมอ่อยเอลกินนมทมทมใจจะขาดน้าตาอยากไหลตอกเจ้าจึงกันนิ่งในอกในทรวงจะแตกตลายอยู่ห่างลายสวยพราไงแดกแกกะเจ้าจึจงเต้านาขึ้นมาคอยจึงมีใจเคคยรอยคอยจึงบายเอาคอนในหน่อยโต้ตอตองตบไปนะเขาสํานึกนะพูดออกมาให้ตนเองมีน้าาาานาาําตาไหลออกมาเถินน้าตาแห่งความกระตันโดษ โดยที่มันยังไม่รู้เรื่องอะไรในตอนนั้นแต่เราพวกของเราเองว่ามันมาไม่ทันใจก็เลยบายเอาคอนในน้อยตอต้อยตองตือต่อไปไปบดีข่อยจึงได้ด้าไปสรขคอยจึงได้ไล่ให้เจ้าไปไวๆเจ้าจึงไปที่สุดเจ้าจึงไปที่สายสิข้าวขาดเตไปปวดไทยเข้าคอยก็ได้สีสัมมาเดินขวัญเอ๋ยขวัญเจ้าไปกินยาอยู่กําดงให้เจ้ามาจามันนี้วันนี้ขวัญเจ้าไปจรงดูในป่าให้มาจามันนี้วันนี้ มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่เรานี้สิเรื่องราวที่เราทำกับมันเราตีเราเคี่ยนเราฆ่ามันอยู่ตรงไหนเอามันไปไถานาไร่ไหนงานไหนเรารู้ได้หมดจำได้หมดตอนไหนก็ดีข้าวเม็ดถักผักเป็นเดือยที่เราได้กินมาลํำลึกถึงบุญคุณของมันก็เลยไปขอโทวขออาภายันอยนอกจากนั้นก่อนลํำพึงลํำพันเพื่อเป็นการลําลึก แล้วก็จะทําให้จิตใจของตนเองอ่อนโยนพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาซึ่งกุญงามความดีสำนึกนั้นแหมคนโบราณเนี่ยอย่าหาว่าท่านงงนะท่านเข้าใจมากเลยบางทีลำพึงลำพันถึงแม่มันยังไม่พอจะจะลำพึงลำพันถึงลูกมันบางทีเอาแม่มันไปไถนาะก็โผก่ลูกมันไว้บางทีลูกมันขาดมากําลังไถนาะอยูย่อ็ยผ่าข้าวพาข้ามาก็ไล่จับไล่ตีลูกให้น้อยมัน บางคนสั่งดา่ามันพูดเหมือนกับคนมึงจือไว้มึงจักว่าพอแกมึงแต่มันจะรู้ภาษาเจ้าบอ่ะนั่นแหละคือความโกรธของหลอแต่เสร็จแล้วก็มาคำหนึ่งถึงถึงขนาดที่ว่าลำพึงลำพันเพื่อให้ตนเองนั่นแหละจดจำ หนิ่งเจ้าจะได้ตกสะท้อนหอนใจกลัวคอยเดินฝนตกฝ่าหำหองให้เจ้าตั้งหนาต่อทางมาดูสองตางามละหอยกับตั้งควันหลกหน่อยเล่นอมอ่อยนะ้ำแมงอยู่ลิละหิงเจ้ามากินหน้าแฝกไปนะหิงเจ้ามา เกนยาข้าใบเขียวอ่อนให้เจ้ามากินยาปองแอวละลายไข่ก็ะไดมาแล้วญยาวายกินเศษซอยไข่ก็ะไดมาแล้วใบเล็บน้อยนั่นเป็นยาตายไข่ก็ะไดมาแล้วใบเชื้อรวยงดกล้วยอ่อนอ้อยซอยข่ก็ไดมาเดือกวันเอ้ยเอื้อนขวันงวงขวันขวายขึ้นมานในการทาขวัวขวงขวายเขาจะมียามาด้วยนะญยาที่เขียวสดมดงามเป็นที่ชื่นชอบของมันนั่นแหละเป็นการลำลึกถึงบุญคนเดือนสามนี้มันมีอะไรพิเศษพิเศษ สําหรับชุมชนชาวอีสานเราแต่ามาอยากให้ลองนิยดหมุนสักหนึ่งชั่วโมงให้เราลําลึกถึงภาพแห่งความหลังซึ่งโบราณอาจารย์ของเราได้กระทามาหรือถ้าเป็นไปได้อยากให้หมุนย้อนกลับคืนไปหลังในสภาพเช่นโน้นดีกว่ามาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และมายาศาสไทยของมนุษยชาติที่สวมหน้ากะเข้าหากันนั้นอยู่อย่างนั้นจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ คนโบราณท่านทําเป็นมัคค ว, วิทีวิถีทางแห่งการดําเนินชีวิตพาโลกพาล้านทํากันบัดนี้เดินสา ม, มารถถึงแล้วท่านทั้งหลายที่มีข้ามีปลาปีนี้ฝนฟ้ามันตกต้องตามฤดูกาลดีที่ผ่านมาได้ข้าวดนป่าก็อย่ามามัวประมาทมากนะักเอาไปรวมกันที่บ้านของท่านจากงานบุญบุญทายข้ า, ขาวขึ้นมาเสียสลับประโยชน์ ที่ตนเองได้มานั้นส่วนเกินส่วนเฟอร์สักเล็กน้อยมารวมกันเป็นพลังงานที่เราได้มารวมกันแล้วจะได้เป็นผลิตผลของพลังงานนั้นเอามามีส่วนได้ช่วยสาธารณูปโภคมาสร้างสรรค์ประโยชน์อันเกิดขึ้นในสังคมในบ้านเมืองของเราหรือถ้าหากเอามารวมกันได้เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรสร้างสรรควัดวาอารามเห็นว่าสมควรสร้างมาหมากต่อมากแล้วโรงเรียนก็มีเพียงพอรัฐบาลก็ช่วยก็เอามาขาย แล้วก็เอามาตั้งเป็นร้านสหกรณ์ขึ้นมาจะได้มีการพึ่งพาอาศัยตนเองขึ้นอัตมาคิดว่าถ้าบา้านนังมีสักสองร้อยครอบครัวเนี่ยเอาข่าวมารวมกันซะบ้าล 10, 200, 000, นละหมื่นสองมื่นคนรวยก็เอาแบมเป็นแสนเนี่ยบางทีเราจะมีเงินสักสองสามหมื่นของหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาเป็นกองทุนสหกรณ์ของหมู่บ้านตกเจ้าของร่วมกันเพื่อจะหัดขายหัดซื้อหัดขายเวย ในนี้เรามีจะซื้อเป็นเราไม่เคยขายเป็นเราจะหวังขายจะหาคนไทยเราไม่รักกันไม่สมัครสมามิกันไม่ซ้มื่อกีกันเราจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติที่ไหนได้รัฐบาลประกาศเป่าวปล่าเรืองความเป็นมิกภูมิใจในเศรษฐกิจที่ไปโอดสําหรับปีนี้แต่อาตมาไม่เห็นว่าจะน่าดีอกดีใจสําหรับเรื่องนี้เพราะโดยทั่วไปและยังเห็นพวกเรายังติดเหล่าดิดยากํางงมงา้สนุกสนานกำงงมงา้ยังทุกยังยากกันโยงงมงา้มีคนรวยขึ้นล้นฟ้าเลื้อแผ่นดินไม่กี่คน ในจำนวนห้าสิบสามล้านกว่าคนนี่มีคนรวยขึ้นประมาณสักร้อยคนรวยขึ้นกว่าปีกายนี่ซักห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วรวยขึ้นกว่าปีกายนี่เป็นร้อยเปอร์เซนตอย่างนี้เขาก็ประกาศว่านิสสําเร็จเข้าไปแล้วเขาประกาศว่าเศรษฐกิจไปรอดแต่คนอีกห้าสิบสามล้านค น, น, นกําลังทุกข์จนยิ่งกว่าปีก่ายยิ่งกว่าปีก่อนนี่จะถือว่าเป็นความสําเร็จของการพัฒนาประเทศไม่ได้คนรวยที่รวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเลอือยผิวดินอาจจะไม่ใช่คนไทยเลยก็ได้ และหลันนางหลายเราที่เดินทหารคนไทยเราแม้แต่คนบ้านเดียวกันชักชวนจะมาทําร้านทหกรยังไม่ไว้ใจกันกลัวจะเอารัดเอาเปรียบกันกลัวจะโกงกันแล้วก็ตั้งกันไม่ได้และจะไปหวังพึ่งใครจะไปหวังพึ่งชาวต่างชาติคนอื่นที่เขามาทีหลังนั้นพระราชนิพนธ์คนรุวนเก่าราชการที่ออกท่างเก่ว้ว่าใครมาเป็นเจ้าเข้าของเขาจะต้องบังคับขับไสเกี่ยวเข็นเย็นขํามล่าไปตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย เขายังไม่เห็นโอ้เห็นใจเราอะไรยิ่งนิกนี่เลยประกาศไปเชิญชวนชาวต่างชาติมาลงทุนมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยหวังว่าเขาจะได้ผิดมากๆแล้วส่งออกจากประเทศไทยนี่ไปท่านหลายลองคิดดูเถอะพวกที่เขามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเขามาเพื่อจะช่วยเราหรือเขามาเพื่อจะช่วยตัวเขาเองท่านลองคิดดูลองคิดดูเถอดไม่มีอะไรที่จะทําให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถกเราดูด้วยสายมันตำนึกง่ายๆนี่ก็ได้ ทั้งแต่คนในบ้านเดียวกันจะตั้งเป็นร้านสหกรณ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่เพียงกันเลยยังไม่เห็นออกเห็นใจกันยังไม่ไว้ใจกันประสาอะไรกับชาวต่างชาติถ้าเขาก็มาตั้งโรงงานอุตสาหากรรมในเราพร้อมหรือ ย, อยังในเมื่อคนของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจเขาก็จะมาหนึ่งราคาต้นทุนการผลิตมันถูกแล้วก็พวกทรัพยากรธรรมาชาติแผ่นดินเราก็เยอะค่าแรงก็ถูกมากเมื่อเขาผลิตออกมาก็มาขายให้พวกเรานี่ต่อหนึ่งมอมเม า, มาพวกเราให้เป็น ธาตุของอินดัสตรีธาตุของอุตสาหกรรมเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ส่งขายโดยราคาที่ดีงามเครื่องมือการผลิตพวกเทคโนโลยีในเครื่องจักรต่างๆอยู่ในกํามือของพวกเขาเขาจะสอนให้พวกเราให้เข้าใจในวิถีทางการผลิตหรือไม่เพราะเหตุ น, นั้นคนของเราจรึงได้แต่เป็นเพียงผู้บริโภคและผู้รับจ้างใช้แรงงานของเขาเมื่อเขาเห็นว่าหมดที่จะอยู่จกินแล้วเขาก็ยุบย้ายกลับบ้านเขาอะไรจะเกิดขึ้นแก่เรา คงจะทิ้งไว้แต่ความหมดซากหมดเปลือกอะไรต่างๆความจนกัจนลงไปยิ่งพชรขึ้นมามากเท่าไหร่เราทําไม่เป็นแล้วก็เป็นผู้บริโภครับซื้อราคาถูกภายในประเทศแต่เสร็จแล้วซื้อตีละเล็กตีละน้อยเราก็เป็นเพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้เพชรยิ่งไปกว่านั้นถหากเราไม่มีความเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่เงินแสนไทยบ่เห็นแก่ใครแสนเมืองผู้ที่เป็นใจเป็นโตัวควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆ ด้วยความเห็นแก่เงินเขาให้เลยเอาคุณเอาไปเลยห้าร้อยล้านหรือหนึ่งพันล้านเซ็นแก๊กท่าผมผมจะทําอย่างนี้อย่างนี้ออกกอดไม้มาเพื่อกุ้มกองเงี้ยความยั่วยวนทางเงิ น, นทางทอก็งา่ามเข้าไปเกื้อเปรวยเข้าไปสมใจนึกบานลําโพงสําหรับคนเมื่อกี้คนที่จะรวยขึ้นแล้วเขาอยากจะทํายังไงปู้ยีป่ปูยัยนประเทศเราไยังไงก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นไปที่ชนิดที่คนโบราณได้เล่าเรื่องอนกแตยางนกกระติน นกเจ้าดังอ้อยเรฟังหิ้มสาเห็นปลามหาอยากรสกินแดดินนกกรเตนเตนต้ น, ตนลงกินก่อนนกเจ้าดังเง้นหนาลำดายทีนตนเท้พวกเราก็เหมือนนกเจา้านกยางฟอกแผ่นดินแล้วคนอื่นเข้ามาจากที่ไหนเข้ามารวยเอารวยเอาแล้วก็หมดแผ่นดินท้ายใบสิ่งไปหมดเปืองไปทุกหลงไปทุกหลงไปนั่นนกกระเตนซิวธรรมดายังไม่พอนกกระเตนช่างนกกระเตนรั่วจะมาใหม่พวกฝลังมั่งค่ า, า, าญี่ปุน่นเดี๋ยวนี้กําลัง เข้ามามีบทบาทหาซื้อที่ซื้อทางโคกเคิร์อกอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีขายให้เขาไร่ละแสนบาทอยู่บ้างเขาซื้อตารางละแสนมาซื้อเราไร่ละแสนบาทดีใจเกือบตายแล้วก็พากันขายเรียกว่าร่ํารวยแต่เสร็จแล้วเขาโปกอะไรเขาสร้างอะไรขึ้นมาเขาเป็นเจ้าของโงรงงานเขาเป็นเจ้าของที่ดินหมดนกก็เป็นช้างนี่มันกินได้ไม่ตังกีบโป ม, มกินได้ปลาช่อนปลาคอปลาแข็งบ่อยมันกินแต่ปลาซิ่ง ในที่สุดล้วก็ทำวันที่จะจนกรอบยอบแจ่มลงไปทุกทีทุกทีแล้วก็ปากตะโกนก็บอกวันนิ kit, ay, ้เศรษฐกิจไทยไปลดไปลดไม่กี่คนแต่นิกไม่กี่คนในพวกถูกนกมันจะหมดบ้านจะหมดเมืองแล้วเพราะเห็นนั้นบ้านเมืองเราถึงไหมจะไม่เจริญร่ารวยด้วยเงินด้วยทองมากมายแต่ขอให้คนมีอยู่มีกินเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจ ลองหันไปดูการบริหารประเทศชาติของพระเวสสันดนนนรในนครสีผีเชตุดร น, นครที่รุ่งเรืองด้วยโพคาพระเวสสันดรไม่เคยประกาศเรื่องนิกเรื่องนื้เป็นประเทศอุตสาหกรรมพริกส่งออกไปขายต่างประเทศแต่หันเน้นไปที่การเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่สียึศละไม่ให้คนยากจนนั้นาขาดแคลนจนอดตายจนไม่มีทางเลือกต้องมาป้อนมาลักมาอะไรต่ออะไรขึ้น ที่ใดก็ตามถ้าหามีคนรวยไม่กี่คนรวยล้นฟ้าเลือดินคนจนยังเต็มไปในแผ่นดินนั้นไม่ถือว่าเป็นความาสําสเร็จของการบริหารจึงถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดเพราะมันมีช่องว่างเกิดมาพอไม่ น, นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีนายทุนมา ก, มากๆนั่นเองเพราอเหตุนั้นถ้าหากเรามามองดูวัฒนธรรมของคนโบราณนั้นเขามีเวลาเพื่อจะพัฒนาจิตใจสิบสองเดือนนี่อย่างน้อยที่สดุด เขาเอาบุญการเดือนละครเดือนละครแต่มีบุญมากที่สุดก็คือเดือนสามเดือนสามเป็นฤดูการแห่งการสวงบุญฤดูการแห่งการพัฒนาจิตใจของชุมชนชาวอีสานเราเขาได้พัฒนาจิตใจก็จะเริ่มขึ้นเดือนสามออกใหม่สามข้าดังกล่าวแล้วเดือนสามเป็นวันดีที่สุดเดือนสามขึ้นสามขาก็เปิดฟ้าไขประตูประชาชนก็เปิดประตูเล่าเปิดประตู ยุงข้าวช้างข้าวสวนเรียบร้อยก็ตักเอาข้าวได้มารวมกันนั้นเริ่มพัฒนาเปิดปตับโตหัวใจสีสละที่ตนเองมีโยเรือแรงต่างๆเอามาแล้วก็เอามารวมกันเอามาทําประโยชน์เดี๋ยวนี้อาตามาอยากจะชักชวนว่าให้พวกเรานี่กลับคืนสู่พื้นฐานอย่างนี้มาชวนกันทําอย่างนี้อีกจะไม่ดีหรือมารวมกันทําบุญผถ่ายข้าวเอาข้าวปนีนี้เราได้ข้าวในป่าดีก็มาขายขายแล้วอาจมาอยากจะแนะนําอีกจากนึน ในวัดวาอารามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันชักจะเฟ้อแล้วนะถ้าดูให้ดีๆพระสององค์เจ้าเรานั้นจะพูดไปแล้วก็เหมือนสังคมเล็กๆสังคมหนึ่งลอยตัวซ่อมอยู่ในสังคมใหญ่แบบมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่มีชีวิตยอย่างเรียบง่ายตั้งใจที่จะมาฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นด้วยช่วยสังคมในทางด้านจิตใจเป็นจิตประสงค์เพราะเหตุ น, นั้นพระสง์องค์เจ้ า, จ, าจึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษพอใจตามสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ อาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาหลอกเครื่องนุงห่มต่างๆได้มาจากญาติยมพออยู่ไปวันๆก็อพอแล้วไม่ใช่วันลูกซุลลี่มันจะว่าฟุ่งเฟวยอย่างสวยสดงดงามชาวบ้านทุกอยาก่างจนยังไงก็ตามพระสงอฆง์เจ้าหมั่งมีสีสกุลกระดาษมีรถเกง๋งติดแอร์ขี่กันไปอย่างนี้แล้วชาวบ้านก็จนลงจนลงลักษณะเช่นนี้มันฝืนมันสวนทางกับพระพุทธเจ้าสังคมพระสงฆ์เจ้านั้นเป็นสังคมที่ มักน้อยสันดอดเพื่อแรกเอากับความเป็นอิสระใหม่มีสิทธิที่จะออกสงออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนหลากระดอนใบมีสิทธิในเรื่องการบริหารในเรื่องตุลาการนิติบัญญัติอะไรเป็นสังคมอิสระลอยตัวอยู่ในสังคมใดแต่ก็ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกโดยสิ้นเชิยงยังต้องอาศัยเครื่องหนุ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินจากสังคมใหญ่พราะมันั้นก็ต้องเอาจากสังคมใหญ่แต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมใด เท่าที่ดูแล้วทุกวันนี้พระสองฆ์องค์เจ้าเหล่านั้นกุฏิล้างเลเร่เปลลาวัดว่างอารามใหญ่โตแต่พระนั้นอยู่ไม่คุ้มกับสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแต่เราเอาบุญพระทายค่ะบุญอะไรขึ้นมาแต่ละทีก็จะเป็นเน้นไปที่วัดเอกเหมือนกันแต่าามาที่วัดเราควรจะได้พิจารณาอย่างเพียงพอและสองฆ์องค์เจ้าก็ควรจะมีสปิเพียงพอว่าพอแล้วแค่ที่ไม่ต้องกู้คันอะไรมากนะักขอให้อยู่ไปวันๆได้จเจริญสมาธิภาวนา ให้จเจริญจิตจเจริญใจอบรมศิลอบรมจิตอบรมปัญญาไตรสิกขาให้มันสมุนไปเรื่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการไม่เกี่ยวข้องกับสังคมมากนักมีการเกี่ยวข้องก็คือการพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นส่วนการเกี่ยวข้องทางทรัพย์สมบัติพวกวัตถุต่างๆนั้นเอามันแต่ได้น้อยพอถ้าจัดบุญประทายข้าวันขึ้นมาอยากจะชักชวนญาติโยมและพระสงฆ์องค์เจ้ามองเห็นคนข่าสังคมกําลังโกเบียดเบียนเดียดเด๋ยวนี้ ความเห็นแก่ตัวกําลังเป็นภัยคุกคามโลกเกิดวิกฤตการที่ยิ่งใหญ่จนพูดกันไม่รู้เรื่องในกลุ่มรัฐบาลในพรรครวมรัฐบาลก่อทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะสังคมนั้นนีแต่ความเห็นแก่ตัวแม้แต่ในบ้านในเมืองในพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆเพราะเหตุนะั้นเราเป็นตัวอย่างขจัดความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ออกไปค่ะรวมกันเป็นบุญพวกบุญประทายข้าวเนี่ยเอาข้าวมาขายได้จากสองหมืนบาทสามหมืนบาทในลอง ทำใจกว้างๆเว้ยท่านตามถึงเผ่าผีต่างเอาหันลองเป็นยังไงเอามาซื้อของเป็นร้านค้าสากลของหมู่บ้านให้มันมากขึ้นมันใหญ่ขึ้นจัดระบบบริหารในีมันถูกต้องดีงานบัรน้าบัญชีอะไรต่างๆแล้วเคยเป็นผู้ซื้อมาตลอดบัดนี้เราจะเป็นผู้ขายบ้างขายไม่เต็นก็ขายให้กันเองซื้อให้กันเองขายกันเองอาจยายซื้อขนมยายเราจะเห็นได้หวัดเดือนหนึ่งเงินออกจากบ้านเท่าไร่ถ้าเราไม่ไปซื้อข้างนอกเราซื้อของที่เรามีอยู่ปีหนึ่งมันจะเป็นสักเท่า ถ้าลักษณะเช่นนี้มันจะได้ทั้งบุญทั้งกุศลในเดือนสามเดือนสามว่าเราให้ฟังแล้วว่าเป็นฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญสแสวงหางกุศลของชน ช, ชาวอีสานจึงอยากจะชักชวนตัน ต, งตังไล่ให้มองย้อนกลับคืนสู่อดีตเหือนพ่อแม่ของเราทํามาเดือนสามนั้นนอกจากเอาข่าวมารวมกันเป็นบุญประรัยข่าวขายข่าวมาสร้างสาธานาประยุท์แล้ยังไม่พอยังมาสนิกต่อคุณข้าวนา้ํา ยังต่อมาสู่ควันยังขอขมาลาโทษแม่โพศพนอกจากนั้นก็สู่ขวังวควายขอ ข, อขมาลาโทษมันเป็นการสำนึกแสดงออกมาจากจิตใจทาตแท้ของตอนเองที่เคยอัมพางเอาไว้นอกจากนั้นแล้วเราก็เดินทางเป็นพริ้นเิมเมตเป็นผู้แสวงบุญไปที่พระาธาตุปดมไกลแค่ไหนสมัยก่อนเราเดินกันไปดำเก่าแล้ว แต่ทีนี่ไม่ต้องเดินเราหนั่งรถไปแต่ก็อย่างว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆไม่ได้ไปเพื่อสแสวงบุญต้องเดีควรไปสแสวงหาความสนุกทางเนื้อหนังทางอาบายามกไปกินเหล่าเมายาไปดูลีเกดูละครดูการละเล่นดูสิ่งสินค้าของขายหลไรต่างๆ ง, งานพระธาตุพนมกันเลยเป็นกันอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็จะมีส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะตรงนั้นเป็นที่ประดิษฐานอุรังคธ า, าทัวออกออมพระพุทธเจ้าเราได้ไปไหว้นั่นก็แสดงว่าเราไหวพระพุทธเจ้า พระพุทธเจา้าตรัาว่ามาเสมาเสสหัสเสนะโยยเชตสตังสัมมังเอกันจะพระวิจัตตานังหุตตังปิปูชเชยสาเยวปูชนะยโยยันเยวสสตังหูตังผู้ใดปรารถนาบุญจากพึงให้ทานตำมัำมเะมอติดต่อกันตลอดการล้อยปีสิ้นพย์เดินละหนึ่งพันกะหาปัญ น, นะยังไม่ได้บุญเท่ากับการได้บูชาผู้ที่ ฝึกตนดีแล้วแม้เพียงครั้งเดียวพระพุทธเจ้ทาท่านเป็นผู้ฝึกตนดีแล้ววิชาเจรณญสมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ในการประพฤติธปฏิบัติที่ไมมีใครเทียบเท่าเป็นตัวอย่างแก่โลกโสเศโทเทวมนุษสาเป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทวเทวด า, าและมนุษย์ทั้งหลายเป็นสาธีเป็นครูเป็นผู้ฝึกสอนของเทวดาและมนุษย์พอเหยียดนั่นเราตระกาไปไหว้ท่านเอกันจะพระวิตติตาหนังโมหตมปิปูเชย การบูชาผู้ฝึกตนดีแล้วเพียงครั้งเดียวซาเยวะปูชนาเซโยยันเยวสะสสตังหัวตังการบูชานั้นแหละได้บุญมากกว่าอย่างอื่นที่ทำมาตลอดเวลาร้อยปีติดต่อกันชนิดที่เรียกว่าซื้อทรัพย์เดือนละ 1, หนึ่งพันเพราะเหตุนั้นอดูการนี้จึงถือได้ว่าดเดือนสามฤดูกาลแห่งการสแสวงบุญของชุมชนอีสานบ้านเรานอกจากนั้นก็พี่น้องทางประเทศลาวนุ่นก็เช่นเดียวกันปีนี้ นอกจากไปไหว้พระธาตุพนมแล้วความยุ่งยากลำบากของเรามันยังมีกันอยู่แล้วก็ทำใจให้มันสบายสบายจะไปยึดมัน่นถือมันมันมากนักสำหรับผู้เท่าเอาไปนำบดได้พ่อก่อนขี่ไก่ขังไม่ไงเอ้ยทางบ้านแพงพุนถ่ายล้อมนู่นนอ้นเอาผู้ฆ่าไปนำในทอนมาโทษผายผู้ฆ่าเนี่ยมันออกจากสวนยาบไดา้แล้วท่นเรานี่แหละจะปรดเราเองทีนี้ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านโปอดให้รู้ที่ว่าไม่ได้หาบคอนสวนยามานำตั้งแต่วันเกิดตายไปแล้วก็ไม่ได้หาบคอนไปด้วย ลกล้านต่างๆเขาก็ยังอยู่แม้เราไม่มีชีวิตเขาก็จึงยังอยู่ยังจะต้องหาอยู่หากินได้เราก็เลยปลดปล่อยตนเองไขประตูมิฉชนั้นแล้วเราจะมือกลุ่มจะทุกอย่างลาบากกันอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่มีที่สิ้นที่จดดแต่จากความทุกข์ยากลําลบากหนักน่วงเข้ามาทุกทียากอ ย, อยู่ทั้งปีทั้งชาติอย่างนี้มันก็ไม่หวาดไม่ไว้จะต้องรู้จักไขประตูเปิดฟองเอี่ยมหัวใจกันบ้าง นอกจากไปไหว้พระธาตุบรนมแล้วก็ยังมีงานจัดอบรมปริวัติศากยรรมสมาธิภาวนาหลายแห่งท่านทั้งหลายได้ ย, ยินตรงไหนก็ไปเถิดเดือนสามนี่มันไม่ร้อนแล้วก็พอดินหนาวหนาวอุ่นๆหน่อยพอดีพองาปล่อยให้หลกให้ล้านเขาทํามาฮังกินหรือคนหนุ่มคนสาวคนใดคิดได้จะไปก็เถิดถ้าไม่มีที่ไหนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนดีเดือนสามคอยหวัวลมว้อยหนาววี่มานี่ เชิญเธอที่วัดอาดามานิเพทพาลารามวันที่สุดกมุมภาถึงวันที่ส7กเจ็ดกมุมภามีวันนัดพบผู้ฝ่ายทำสมาธิปริวาตงานนี้เจ็ดวันเม น, นวิธีการฝึกสมาธิหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพวกฝรังบ้างค้าต้องเสียเงินไปจ้างเดือนหนึ่งเลยสองหมืน่นสองหมืน่นไปเรือนสมาธิเราไม่ต้องจ้าง มีคนสนับสนุนมีอาหารให้กินด้วยอย่างดีงามเพียงแต่มีมุม้งกันโยงมาด้วยมีม้อนมีผ้าคมผาชนะใส่อาหารตอลอดจะใส่อาหารกินกินครั้งเดียวเหมือนกับพระเราไม่ได้ออกเรี่ยวออกแรงอะไรเราจะทําสมาธิภาวนามาเข้าคอร์ดอบรมกันนี่มาฝึกเนื้อฝึกตัวยิ่งดีใหญ่เทศกาลนี้ท่านจะได้บุญทั้งกุศลคือความรู้ความฉลาดในการทําในการดําเนินชีวิตเพราะเหตุนั้น ถ้าท่านยังไม่มีทางไปก็เชิญมาทางนี้ครูบาอาจารย์สมัยนี้ยังเป็นสมัยสุดท้ายปลายแถวขอนพุทธการยังไม่เกิดทันพระพุทธเจ้าไม่ทันพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่คําสอนนั้นสืบ่อกันมาจากพระธรรมวินัยไต้ปีดกและการประพฤติธปฏิบัติก็เลยจะบอกจะซ้อนอย่โยอมพุทธบริสัททั้งหลายก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราเกิดมาเป็นพืชที่เกิดในหน้าแล้ง เป็นพืชที่เบ่งบานไม่ได้ในหน้าฝนมาทนร้อนมาจนถึงหน้าแรงแลว้วก็ควรจะเบ่งบานด้วยน้ําค้างน้ําค้างก็คือคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์รุ่นหลังไม่เป็นน้ําฝนที่ตกมาจนทุ่มโชคโจรนาอุราลาไหลเ อ, อ่อเป็นน้ําท่วมทุ่งไม่ถึงขนาดนั้นให้เราถือว่าเป็นเพียงน้ําค้างน้ําค้างก็ยังทำให้ ต้นไม้บางชนิดที่มันทนต่อความแห้งแล้งก็หมายถึงบคุคคลพวกเราทั้งหลายผู้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิจนเกินไปตาไม่บอดถักจนเกินไปหูไม่โหนจนเกินไปตานอกหูในหูตาในหูไในยังไม่หนวกยังไม่ฟ้าคือพูดกันรู้เรื่องอย่งที่คนโบราณบอกว่ามันอยู่อากาศก่วงสุดขอบจกักรวาลเมทนินีสุดสัวตาเต็มเยี่ยมเมย์เมย์หงมวยห้ำหลอกลมพายถดหายดินสื่อมสุมอื่น เขาว่าซุมอื่นนั่นกับไมายถึงว่ามันเพียงชุ่มชื้นนิดหนึ่งไม่ถึงกับเปียกช่กแต่ถึงขนาดนั้นดอกไม้ในป่าเขาลำเนาภายที่ทนต่อความแห้งแล้งก็ยังเบน เ, นเนบ่งบานได้ลุกโคด่าวแด้นไถ่พุ่งเถือนโย่ทางใครกับอาละอองหอมเืินหอ ม, หอมโยธิกาเกอมสารพีพ่วงผีเมืองภูบินหลวงลำปะทรงแสวสวบละอองเราทั้งหลายก็เปรียบเสมือนมแมลงผูพ้พึ่ง บินไปแสวงหาบุญหาคุณงามความดีที่ไหนโครูบาอาจารย์ท่านประกาศอบรมบม่มนิสัยพัฒน์สอนอยู่กับบ้านกับช่องยังอบรมตนเองไม่ได้สุขาตน่นเบาปานฟานหัวบม่มเพลินบม่มหายเบาปานเจ้าบม่มเองอยู่เหอนให้มันดีมันบันีไหนอยู่นําส่วนยาให้มัน ด, มนดีมันก็ไม่ดีเพราะมันไม่ได้ฝึกสุขาตน่นบาปานฟานหัวบม่มก็เลยไปหาบม่มคือไปอบรมบม่มนิสัยตนเองกับครูบาอาจารย์ เทศกาลแห่งการแสวงบุญเดือนสามอีสามบ้านเฮาก็ได้คึกคักอีกเปิดโอกาสให้ญยาญยมผู้ไฟทําไปเถิดท่านสารรถยนตั้งหลายอยู่ใกล้บ้านใกล้ช่องของท่านตรงไหนมีการจัดอบรมสมาที่ภาวนาปฏะวิวาสการรมเชิญเถิดท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยเปิดหัวใจเหมือนฟ้าไขประตูในตอนเดือนสามนี้ฉนั้นแล้วจิตใจนี่จะเมื่อยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางไปไม่มีทางมาไม่รู้จักตน้นจากปลายกันแล้วต่อไปเนี่ย เราจะมามัวยุ่งยากลําบากชีวิตนี้คือการเดินทางเรือนร่างคือสาลาที่อาจสเดินจากความเกิดไปสู่ความเจ็บไข้ความแก่ความตายตา ย, ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่อยู่ที่สิ้นสุดดีไม่ดีตกนรกเดินมาที่สูงลงที่ต่าละหกละเหินได้มาดีใจเสียไปโศกเศร้าฟูฟูเ่แสบอย่างนี้หนทางที่จะเดินแห่งชีวิตอ้อมไกลยาว คนโบราณบอกว่าขั้นจะเที่ยวทางเวิร์กให้หาหอมบังหัวขั้นจะไปทางไก่ไทยโต้ไงมีความขั้นจะเที่ยวทางเวิร์กให้หาทิ้งบังไงใส่หน้าไหวเป็นหวังแจงคอยไปทิ้งว่าไหวบังไงคือโต้เฮาวัดตสงสารทั้งนิพานตัวไก่งเงาเหงินบุญควนสักกุศลแห้คิดทาทางนาพนหาเงีง่ยงกลัวกลัวหลังทิ้งนั่นเป็นหอมกังคือวันหนูไงบังหัว ท่านคือตะเบียงไทยทงแห้าหาวหยเมนติกาเงาเงินภาวนาตักนำใส่ไก่ปันด้ีกระบอกห่านทิ้งบังเบตึงเต็มอ้าเป็นเล่าการกล่าวทำนิยทาวันนี้ก็ยุดติด